คุณอาจสร้างชีวิตดีๆอีกภาคหนึ่งขึ้นมาในมือถือแต่จะเกิดประโยชน์อะไรถ้าชีวิตจริงๆกลักลวงว่างสิ่งที่ทำให้คู่รักรู้สึกเหมือนไม่มีทางเข้ากันได้ได้แก่ความลับที่รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมันสร้างอากาศทึบขึ้นระหว่างคนสองคนแม้ในยามที่ตัวติดแนบชิดกันแท้ แต่ก็รู้สึกถึงกำแพงที่ข้ามยากนั้นได้แม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตามแต่ปัจจุบันคู่รักยุคไอทีเจอกำแพงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเพิ่มขึ้นมาอีกมันคือโทรศัพท์มือถือพวกเราใช้มือถือกันหลากหลายรูปแบบเช่นใช้มันเป็นแว่นส่องหาคนรักใช้มันเป็นเครื่องทำลายระยะทางระหว่างตนกับคนรักแล้วก็ใช้มันเป็นกำแพงขวางตนกับคนรักไม่ให้เชื่อมจิตเข้าหากัน เมื่อสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตผนึกกำลังกันสําเร็จเราก็เข้าสู่ยุคอะไร ย, ยุคหนึ่งที่ต้องผนึกกำลังรักษาความสัมพันธ์กันอย่างฉลาดความฉลาดทางอารมณ์ที่จะรักษาสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวสังเกตได้ง่ายๆจากปริมาณความคิดในหัวคือเมื่อนั่งอยู่ด้วยกันกับคนใกล้ตัวในหัวของคุณมีปริมาณความคิดให้กับสิ่งที่อยู่ในมือถือ หรือว่าบุคคลที่มีตัวตนจับต้องได้ตรงหน้ามากกว่ากันยิ่งปริมาณความคิดมีให้กับสิ่งที่อยู่ในมือถือมากกว่าคนตรงหน้าเท่าไรให้ถือว่าความฉลาดในการรักษาสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวยิ่งน้อยลงเท่านั้นคุณอาจสร้างชีวิตดีๆอีกภาคหนึ่งขึ้นมาในมือถือแต่จะเกิดประโยชน์อะไรถ้าชีวิตจริงๆที่เป็นความรู้สึกยาวๆกลักกลวงว่าง เหมือนได้อะไรดีๆมาไม่จริงแต่มีสิทธเสียอะไรดีๆไปจริงๆได้ทุกเมื่อ